วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นเวลาที่พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งมาฟัง คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักนี้เป็นเพียงหนึ่งในพระพุทธเจ้าที่ได้มาตรัสรู้และได้มาสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกในอดีตการมีพระพุทธเจ้าปรากฏ ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมาตัดสรุธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ได้ทรงตัดสรุ้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อบรรเทาบำบัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจัดใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไป พระพุทธเจ้าของพวกเราในองค์ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอดีตและเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตตราบใดที่ยังมีสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ตัาบนั้นจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีสัตว์โลกหลงเหลือติดอยู่ในตายพรากต่อไปเท่านั้นถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้ มาสแสดงธรรมเพื่อโปรดให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ส่งสอนถึงแม้จะมีมากมายหลากหลาย เช่นในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ก็มีถึงแปดมืสี่พันธรรมขันธ์หรือธรรมบทแต่ธรรมะทั้งหลายนี้มีเนื้อหาสาระเหมือนกันหมดคือวิธีของการดับความทุกข์ในใจของสัตว์โลกนี้เอง เหมือนกับน้ำทะเลในน้ำในมาหาสมุทรในทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล ม, มีมากมายกายกองทั่วโลกจะมีรสเหมือนกันหมดทุกแห่งทุกคนนั่นก็คือรสของความเข็มจันได้รสของธรรม ก็คือลถของการดับทุกข์หรือวิมุตตินี่เองวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเป้าหมายของการศึกษาและปฏิบัติการทำคำสอนเพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่ได้สอนไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นใดถึงแม้จะเกิดมีประโยชน์อย่างอื่นแทรกซ้อนตามมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์แฝงประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้ จากการศึกษาจากการปฏิบัติเช่นอาจจะเกิดความสุข mm. เกิดความเจริญ mm. ทางลาบยศสารเสริญ mm. ต่างๆได้ mm. แต่ก็อาจจะเท่านั้นไม่ได้หมายความว่า mm. เป็นผลที่เกิดขึ้นกับทุกคน mm. Mm. ผู้ที่ศึกษาพราะธรรมคำสอน และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนต้องรู้ว่านี่คือผลแฝง ผ, ผลผลพลอยได้ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ไม่ให้ถือเป็นสาระสำคัญสาระสำคัญของการศึกษาของการปฏิบัติ รพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มุ่งไปที่คำเดียวเท่านั้นคือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจทำให้ใจนี้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยเหลืออยู่แต่ความสุขที่เป็นธรรมชาติของจิตใจที่ปราศจากความทุกข์ เท่านั้นและการศึกษาและการปฏิบัตินี้นอกจากจะให้ประโยชน์แฝงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติคือการเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขแล้วก็ตาม <IS C> ก็มีประโยชน์แฝงที่ได้รับตามมาอีกเ <IS C> ช่นเดียวกันคือการไปเกิด ในสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลเหล่านี้ถือว่ายังไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะพุ่งเป้าไปสู่ที่ประโยชน์เหล่านี้ ประโยชน์เหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเพื่อให้ก้าวถึงประโยชน์อันสูงสุดคือวิมุตตินิพพานหลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พระนิพพานที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดขอให้ชาวพุทธเราผู้ศึกษาปฏิบัติ นี่ทำความเข้าใจว่าเป้าหมายของพวกเราทุกคนนี้คือวิมุตตินิพพานหลุดพ้นจากกองทุกข์ด้วยการทำจิตให้เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาผู้ผลิตความทุกข์ต่างๆ ให้แก่จิตใจผู้พาสัตว์โลกผู้พาจิตใจของสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะนี่คือสิ่งแรกที่ ชาวพุทธผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควรจะทำความเข้าใจว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่วิมุตตินิพพานวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง นิพพานคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตามนั้นวิมุตติก็ยังปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นแหล่งของความทุกข์นั่นเองเป็นกองทุกข์หรือเป็นกองไฟ ถ้ายังติดอยู่ในกองทุกข์ในกองไฟอยู่ก็จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรืเ่อยๆถ้ายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถึงแม้จะได้เกิดในภพที่ดีในชาติที่ดีเนื่องจากได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเพียงบางส่วน ยังไม่ครบบริบูรณ์ก็ะจะได้รับการไปเกิดในภพชาติที่ดีเช่นถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยราบยศสลรเสริญสุขหรือถ้าไปเกิด ในโลกทิพย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นจ่าตุ้มชั้นปรนิมนารานิมต่างๆนี่คือชั้นของเทวดาชั้นต่างๆที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ต่างกันตรงที่สุขมากสุขน้อยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติว่าปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยและสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นก็มีสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นสมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจนถึงขั้นสวรรค์ของพระอริยบุคคล ขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดคือยังไม่ถึงขั้นพาาาระอรหันต์ก็ยังยังไม่ได้วิมุติหลุดพ้นอย่างเต็มร้อยแต่เป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสของการหลุดพ้นอย่างเต็มร้อยถ้ายังไม่ยุติการปฏิบัติถ้ายังปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็จะไปถึงวิมุตตินิพพานได้นี่แหละคือผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระทางคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องไว้ เพื่อจะได้ไม่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายถ้าหวังจะได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันชาติเช่นได้เจรนในลาบยศสรรเสริญสุขทางโลกก็อาจจะเป็นไปได้บ้างและอาจจะเป็นไปไม่ได้บ้างขอให้มองให้เห็นว่าประโยชน์สุขทางโลก คือลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นประโยชน์สุขชั่วคราวเป็นประโยชน์สุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงและเวลาสิ้นสุดลงก็จะทำให้ผู้ที่สูญเสียนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาต่อไปจึงต้องระมัดระวังอย่าไปติดกับประโยชน์สุขแบบนี้ ซึ่งถ้ายังอยู่ในโลกนี้อยู่ย่อมต้องสัมผัสพบเจอบ้างมากน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ข้อสาคัญขอให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้รู้ทันไว้ว่า น, นี่คือโลกกะระรมโลกกะระมำแปด ไม่ใช่โลกุตรธรรมโลกุตรธรรมมีสี่คือโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีอรหันต์นี่คือโลกุตระธรรมธรรมที่จะพาผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดแต่โลกิยาธรมรมหรือโลกธรรมแปดนี้ เป็นโลกีธรรมเป็นธรรมที่จะให้ผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ฉลาดรู้ทันคือไม่ยึดไม่ติดถ้ารู้ว่าเป็นายรักษรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่หลงยินดี ผูกพันกับราบยศสรเสริญสุขทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ซึ่งทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมได้สัมผัสกันแม้แต่นัก บ, บวชที่ปีกวิเวกออกไปบวชก็ตาม <c oughs> ก็ยังต้องมีการสัมผัสเกี่ยวข้องกับโล ก, กุตตรธรรมอยู่ บางทีก็ได้รับการสรรเสริญยกย่องเยินยอบางทีก็ได้รับการคล้านินทาบางทีก็ได้รับสักการะต่างๆได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆบางทีได้แล้วก็สูญเสียไปบางทีก็ไม่ได้ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งเป้าอยู่กับ โลโล ก, โล ก, กระทำแปดนี้ก็จะต้องผิดหวังจะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนและจะไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและได้ทรงหลุดพ้นไปแล้วนี่คือเรื่องของจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก็ได้ ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้เป้าหมายหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมว่าคืออะไรเป็นอะไรเหมือนกับเวลาเราไปทำงานเนี่ยเรารู้เป้าหมายของเราถ้าเราเป็นพนักงานเราก็รู้ว่าเป้าหมายของการทำงานก็คือเงินเดือนนั่นเอง แต่แม้ว่าเราจะทำอะไรได้มากมายให้กับบริษัทนี่อันนี้มันเป็นของบริษัทเนี่ยเช่นเป็นพนักงานขายขายของให้กับบริษัทได้เยอะแยะไปหมดแต่เงินทุกบาทที่เราขายได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราแม้แต่บาทเดียวเป็นของบริษัทเขารางวัลหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบริษัทนี้ก็คือเงินเดือน ที่เขาได้กำหนดไว้ให้กับเราในตอนที่เราไปสมัครงานเราก็จะได้ไม่ผิดหวังเพราะบางทีเราไปเป็นพนักงานขายแล้วขายของได้ราคาเป็นล้านแต่พอเวลารับเงินเดือนได้แค่ไม่กี่หมื่นก็อาจจะน้อยใจเสียใจผิดหวังก็ได้ถ้าเราไปคิดว่า เราขายได้เยอะเราก็ต้องมีส่วนที่จะได้ถ้าไม่มีการตกลงแบ่งให้กับเราเราก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเราจะได้รู้ว่าเราจะได้อะไรจากการกระทำของเราเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังฉันใด้การศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่เราจะได้จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตตินิพพานนี้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในกามพบในรูปพบ และในอรูปภพนี่เป็นเหมือนกับคุกตารางที่กักขังดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ ข, ขึ้นขึ้นลงลงไปตามอำนาจของบุญและบาป ท, ที่ทำไว้ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นภพที่มีการทำบุญและทำบาป ก, กันคือภพของมนุษย์และภพของสัตว์เดรัจฉานส่วนภพอื่นนี้เป็นภพที่ไปรับผลบุญผลบาป ก, กันเช่นภพของเปรตภพของอสูรกายภพของนรกนี้เป็นที่ไปรับผลบาปที่ได้กระทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ เนือเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนภพของเทวดาของพรมของพระอริยบุคคลก็เป็นภพที่ไปรับผลบุญของการกระทำบุญระดับต่างๆในขณะที่เป็นมนุษย์นี่คือการติดอยู่ในตายภพถ้าไม่มี พระพุทธเจ้ามาตัดสโร mm. จะไม่มีใครสอนเรื่องโลกุตระธรรมเรื่องวิมุตตินิพพาน mm. จะสอนแค่ระดับการไปเกิดในพรหมโลกคือระดับฌานขั้นต่างๆขั้นรูปฌปานขั้นอรูปฌปาน mm. ก็จะพาให้ผู้ปฏิบัติ ได้ไปเกิดในรูปภพและอรูปภพส่วนผู้ที่ทำบุญทาทานรักษาศีลห้าก็จะไปเกิดในภพของเทวดาชั้นต่างๆส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าไม่ทำบุญทาทานทำแต่บาปเสพแต่อบายามุกก็จะไปรับผลบาปในภพของเดรัจฉาน พบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรกที่มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยตลอดเวลาที่อยู่ในพบของอบายทั้งสี่นี้ยกเว้นพบของสัตว์เดรัจฉ า, านก็อาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยมากเพราะจะมีทุกข์เกี่ยวกับภัยรอบด้าน อยู่ตลอดเวลาอาจจะมีเวลาบ้างบางเวลาที่มีความสุขจากการได้เสพการเท่านั้นนอกนั้นแล้วก็จะเป็นความหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยที่จะมาคุกคามกับชีวิตของตนไม่ว่าจะไปเกิดในพบไหนก็ตาม ไม่ช้าก็เร็วบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปเกิดในภพนั้นๆก็จะหมดลงก็จะลดลงมาสู่ระดับของมนุษย์ต่อไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจาก การเสพลเสียงกลิ่นเล้าผลเภาชนิดต่างๆไปด้วยการทำบุญบ้างด้วยการทำบาปบ้างสลับกันไปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์จะพาไปแล้วก็เข้าสู่วัยชราสู่ความแก่สู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยสู่ความตายตามลำดับต่อไป แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆต่อไปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาเผยแผ่โล ก, กุตตรธรรมให้แก่สัตว์โลกคือธรรมที่จะสอนที่จะพาสัตว์โลกให้ออกจาก กองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพในสังสารวัตนนี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ธรรมมารู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนด้วย พระพุทธเจ้าบางพระองค์ท่านไม่ถนัดที่จะเผยแผ่สั่งสอนหรือท่านอาจจะอยู่ในยุคที่ทรงเห็นว่าการเผยแผ่นี้เป็นไปได้ยากไม่มีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามได้พระองค์ก็อาจจะไม่เผยแผ่สั่งสอนถ้าไม่เผยแผ่สั่งสอน พระ อ, องค์ก็จะเป็นผู้หลุดพ้นเพียงพระ อ, องค์เดียวพระ อ, องค์ก็จะเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าไปคือรู้เฉพาะตนไม่สอนให้ผู้ อ, อื่นรู้ตามได้พระพุทธเจ้าของเราคือเจ้าชายสิทธัตถะที่บวชเป็นส ม, มณะณโคดมจนได้ตัดสรุภพะพ พระธรรมอันประเสริฐคือพระอริยสัจสี่ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความคิดว่าไม่มีใครที่อยากจะสนใจอยากจะศึกษาปฏิบัติอย่างที่พระองค์ได้สนใ จ, ไ ด, นใจได้ศึกษาปฏิบัติในเบื้องต้นก็มองไปคนที่พระองค์เคยรู้จักในสมัยที่อยู่ในพระราชวังก็มีแต่คนที่ ส น, สนใจเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกรธรรมคนที่สนใจเกี่ยวกับลาบยศสรนเสริญเกี่ยวกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆการที่จะไปสอนให้เขาเลิกหาสิ่งเหล่านี้แล้วให้มาบวชนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเร vin, ื่องสุดวิสัยของบุคคลเหล่านี้ องเลยในเบื้องต้นมีความรู้สึกทอดแท้ในการที่จะสั่งสอนพระธรรมที่ได้ทรงตัดสรูให้แก่สัตว์โลกแต่แต่ก็มีเหตุการณ์ทำให้พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนพระทยัยคือมีเท้ามาหาพรหมเท้ามาหาพรหมได้มาอาราธนา คำว่ามหาพรหมนี้ก็มีสองนัยยะ<ม>คือเป็นพรหมจริงๆกับเป็นพรหมที่มีอยู่ในพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาคิดว่าคงจะเป็นพรหมในพระไทยของพระพุทธเจ้ามากกว่าไม่ได้เป็นพรหมที่เป็นพรม พราพรมนี้จะไม่ติดต่อกับใครพรมนี้เข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วเขาเหมือนคนเข้าฌานเข้าฌานแล้วเขาไม่รับรู้เรื่องของใครทั้งนั้นจิตของเขานิ่งสงบอยู่กับฌานระดับต่างๆดังนั้นคิดว่าเป็นพรมในพระไทยของพระพุทธเจ้าคือพรมวิหารสี่ที่พระพุทธเจ้า ทรงมีในในขณะที่จิตพระไทยของพระองค์นี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจิตของผู้ที่ไม่มีความทุกข์นี้จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือพรมมที่อาจจะมาขอร้องให้พระพุทธเจ้าได้ทรง พิจารณาใหม่คือความการุณานี้ขอความการุณาสงสารพระพุทธเจ้านี้มีความการุณาสงสารต่อสัตว์โลกที่ยังติดท่องอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการติดอยู่ในกองทุกข์นี้เป็นอย่างไรเพราะพระองค์นี้เคยติดมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนาน แล้วพอได้หลุดออกจากกองทุกข์แล้วนั้นรู้สึกว่ามีประโยชน์สุขอย่างไรนี่แหละคือเท้ามาหาพรมที่แท้จริงคือพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามข้อใหญ่ๆข้อแรกก็คือพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณที่ทำให้พระองค์ได้ตัดสรู้วพระอริยสัจสี ทำให้พระไทยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์นจ mm. ึงทําให้พระองค์มีพระคุณข้อที่สองคือพระุสรวิสุทธิคุณ mm. คือความสะอาดบริสุทธิ์ของพระไทยของพระพุทธเจ้าบาสจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของปุถุชน mm. ปุถุชนนี้เวลาจะทําอะไรนี้มักจะทําด้วยความโลภ ต้องการผลตอบแทนไม่มีใครคิดที่จะทำแบบไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนแต่พระทยของพระพุทธเจ้านี้เป็นพระทยที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นพระทยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยบร ม, มสุขที่จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์สุขอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วมีประโยชน์สุขเต็มร้อย จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้แก่สัตว์โลกประโยชน์สุขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดจุกไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขของพระ อ, องค์เองี่งทาด้วยภาพวิสุทธิคุณทําด้วยภาพปัญญาคุณคือความรู้ความฉลาดที่ทําให้พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ว์พระโลกุตละธรรม ก็ส่งใช้พระปัญญาขุนนี้มาใช้ในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกโดยไม่หวังผลตอบแทนจากสัตว์โลกแม้แต่บาทเดียวถ้าหวังก็เป็นเพียงการบินทบากโปรดสัตว์ทนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เพื่อพระองค์เองเป็นเพื่อพระวรากายของพระองค์ที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะ ส่งใช้ในการเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกได้วันระบาดถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าได้สิ่งตอบแทนอะไรจากการเผยแผ่ธรรมะให้แก่สัตว์โลกก็ได้บินทบาทโปรดสัตว์ได้อาหารมาเลี้ยงดูร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นตัวของพระองค์เองเป็นเหมือนรถยนต์ของพระองค์ที่ต้องมีน้ำมันคอยเติมอยู่เรื่อย ถึงจะสามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้พระองค์ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ทำให้แก่สัตว์โลกก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายจากการไปบินทบาทโปรดสัตว์นี่เองนี่คือปัญญาคุณวิสุทธิคุณแล้วก็มาข้อที่สามพระการณาคุณอันนี้แหละเป็นองค์ ที่เรียกว่าเท้ามหาพรมที่ทำให้พระองค์นี้วางใจอุเบกขาไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เนื่องจากทรงเห็นประโยชน์ที่สัตว์โลกจะพึงได้รับจากการเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระองค์ก็เลยตัดสินพระไถยด้วยความการุณานี้เอง อ, อยากให้ผู้ที่ติดข้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้ได้หลุดพ้นนั่นเองนี่แหละคือเท้ามาหาพรหมหลังจากที่ตอนต้นได้ทรงคิดว่าไม่มีความปรารถนาที่จะเผยแผ่ทำคำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลก พอมองไม่เห็นใครที่อยาสนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัตินั่นเองแต่พอมีความก ร, รนาผุดโผล่ขึ้นมาภายในใจ อ, องก็เลยต้องทบทวนการตัดสินพระไทยในเบื้องต้นใหม่ก็ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกนี้มีความรู้ความสามารถ มีความยินดีในธรรมมากน้อยต่างกันพวกที่ไม่ยินดีเลยก็มีพวกที่มียินดีแต่ยินดีน้อยก็มีพวกที่ยินดีมากก็มีจึงทรงแยกแยะไว้เป็นสี่พวกด้วยกันที่เรียกว่าบัวสีเวส่เหล่านี้บัวสี่เหล่านี้บัวเหล่าที่หนึ่ง คือบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้ว <c oughs> บัวที่อยู่เหนือน้ำนี้เป็นอย่างไรพร้อมที่จะบานรอให้พระอาทิตย์อัดสดงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแสงสว่างข้งดวงอาทิตย์สัมผัสกับโพที่อยู่ น, นอยู่เหนือน้ำโพดอกดอกโพนั้นก็จะบานออกมา ดอกบัวใช่ไหมดอกโผลเบานะดอกบั ว, บนะบวงงเหมือนกันไอ้โผล่บัวเหนือน้ําพอได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมานี่ทรงเปรียบเทียบถึงบุคคลที่พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสร่งบุคคลที่จะพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมนี้คือบุคคลพวกใด ก็พวกนักบวชที่มีศีลที่บริสุทธิ์และมีสมาธิจิตที่ตั้งมัน่นอย่างน้อยก็ในระดับฌานสี่คือมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาเป็นพื้นฐานของใจเป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงหรือ ความโลภความโกรธความหลงที่เบาบางยังไม่ตายยังไม่หมดแต่ขณะที่อยู่ในสมาธินี้เหมือนตายเหมือนไม่มีและเวลาออกจากสมาธิมาก็มีน้อยไม่มากเหมือนกับผู้ที่ไม่มีสมาธิเป็นพวกที่พร้อมที่จะ <c oughs> น้อมเอาพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าจะทรงสแสดงนั้นไปปฏิบัติ เพื่อกำจัดต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจคือตัณหาทั้งสามกามมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจได้ทวกนี้พอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะถ้าพิจารณาตามได้และปฏิบัติตามได้ก็บรรลุได้ทันทีในขณะที่ฟัง ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมก็มุ่งไปที่กลุ่มนี้นั่นเองกลุ่มบัวเหล่าที่หนึ่งบัวที่อยู่เนือน้ำแล้วตอนต้นก็นึกถึงพระอาจารย์สองรูกที่เคยไปศึกษาด้วยทรงเห็นว่าท่านพร้อมท่านมีศีลที่บริสุทธิ์มีฌานมีสมาธิพร้อมที่จะรับปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมที่ทรงตัดสุลได้แต่ก็มาทราบว่าทั้งสอง รูปนั้นได้มรณภาพไปไม่นานก็เลยคิดถึงพระปัญจวคัคคีผู้ที่เคยติดตามพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนลูกศิษย์พร้อมที่จะคอยรับคำฟังคาสั่งคำสอนและเป็นผู้ที่มีศีลบอยสุดเป็นผู้ที่มีสมาธิที่ตั้งมัน่นมีอุเบกขา จึงมุ่งไปสอนพระปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกนะแล้วหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมที่ได้ทรงตัดสั้คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากทุกก็คือการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่าตายเกิดในตายภพเนสมุทยัยต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าตายเกิดในตายภพก็คือ กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาก็จะพาให้ไปเกิดในกามพบภาวะตัณหาก็จะพาให้ไปเกิดในรูปะพพระพบวิภวะตัณหาก็จะพาให้ไปเกิดในอรูประพบต้องละทั้งสามนี้ถึงจะหลุดออกจากตายพบจากการเวียนว่าตายเกิดในตายพบนี้ได้พอได้ทรงแสดงทรรมเสร็จ หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอาญญาณโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในระดับที่หนึ่งในระดับของพระโสดาบันทำให้สามารถที่จะตัดภพตัดชาติให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติในการมาเกิดในการมาพบได้ด้วยการปล่อยวางขันห้าไม่ยึดติดกับร่างกายและความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในร่างกายคือเวทนานี่คือบุคคลกลุ่มที่หนึ่งที่พระองค์ทรงพิจารณาว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงทรงมุ่งไปสอนพวกที่เป็นนักบวชที่มีศีลที่บริสุทธิ์และมีฌานระดับรูปฌานสี่ขึ้นไป คือมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาพอได้รับปัญญาก็สามารถใช้อุเบกขานี้ควบคู่กับปัญญามาฝืนความอยากมาตัดความอยากทั้งสามนี่ได้หลังจากทรงสอนรายละเอียดบึกซึ้งเข้าไปอีกครั้งสองครั้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุปเป็นพระหนานกันพร้อมกันทั้งห้ารูปเลย นี่คืออนุภาพของพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่สามารถพลิกจิตของปุถุชนให้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้ไม่มีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้เลยหลงเหลืออยู่ในโลกนี้เลยก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุนี้ไม่มีพระอาหารหันต์แม้แต่รูปเดียว พระพุทธเจ้าเลยต้องไปเป็นพระอาหารหันด้วยพระองค์เองต้องไปศึกษาค้นคว้าหาวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆจนในที่สุดก็ส่งคนพบพระอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากที่เป็นธรรมที่ทําให้พระองค์ได้ตัดสโลเป็นพระอาหารหันต์ตสามมาสามพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหัน์ได้ด้วยตนเอง คือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพอเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองแล้วพอว่าเอาไปสอนผู้อื่นก็ทำให้ผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกตามมาในโลกนี้เราจึงมีพระอาหารหันต์อยู่สองแบบพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระฮาหันต์ได้ด้วยตนเองมีรูปเดียวเท่านั้น ในแต่ละยุคของพระพุทธศาสนานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าสององค์มีองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นผ้อ า, าอ่างหันอุบเอิญนี้จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอ่างหันตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกตนเองว่าเป็นพระอ่างหันตัสสาวกเพราะเป็นผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองสาวกแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ฟังจากพระพุทธเจ้า ถึงได้เป็นพระอาลันต์ขึ้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มแสดงธรรมครั้งแรกนี้ก็ปรากฏมีพระอาลันต์ปรากฏขึ้นมากันเป็นเหมือนดอกเห็ดเมื่อ ก, ก่อนนี้เหมือนไม่มีแม้แต่รูปเดียวเป็นระยะเวลาหลายกลับหลายกันด้วยกันเหมือนกับดอกเห็ดนี่ช่วงที่ฤ ด, ดูแล้งนี้แทบจะไม่เห็นห ด, ดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาเลยในป่า แต่พอช่วงไหนมีฝนตกนี่เดี๋ยวดอกเห็ดนี้โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดนี่นะัลนคืออนุภาพของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนน้าฝนที่ทำให้ดอกเห็ดทั้งหลายผุดโผล่ขึ้นมาอย่างมากมายพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหตุที่ทำให้มีพระอาหารผุดโผล่ขึ้นมาในโลกนี้อย่างมากมาย นับจำนวนไม่ได้ก็คิดดูขณะที่พระพุทธเจ้าอยู่นี้ก็มีอยู่ไม่รู้กี่พันรูปแล้วที่เรารู้กันอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปทีม่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่มีการบันทึกไว้หรือพระอาหารห้าร้อยรูปที่มาร่วมสังขยาณาพระทำคำสอนเป็นครั้งแรก สามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันธ์าตุปานิพานไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆในทุกยุคทุกสมัยจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีภาคอาหารผุดโผล่กันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอน้ า, นาฝนแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังไม่หยุดนั่นเองโลกนี้ยังไม่ได้แรงจากพระธรรมคาสั่งคาสอน ยังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอยู่เรื่อยๆยึงมีสัตว์โลกที่สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้มีมาอยู่เรื่อยๆแม้แต่พวกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ก็อย่าประมาทตนเองถ้ามีความตั้งใจจริงๆถ้ามีอิทธิบาทสี่ รับประกันได้ว่าการจะเป็นผ้าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นแต่อย่างใดเพราะมีมีผู้นําทางแล้วมีแผนที่แล้วขาดอย่างเดียวก็คืออิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ใดมีอิทธิบาทสี่แล้วรับประกันได้มรรคผลนิพพานนี้อยู่แค่เพื่อแค่เอือ้อเมื่อ ว่าอิทธิบาสีนี้จะเป็นผู้ที่จะผลักดันจิตใจให้ศึกษาให้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มร้อยจะไม่มีความเสียดงเสียดายกับทรัพ์สมบัติข้าวของเงินทองกับความสุขต่างๆที่เคยมีอยู่ในโลกนี้ที่เคยได้จากโลกนี้เพราะจะเห็นได้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นความสุขเป็น สมบัติชั่วคราวที่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาสิ้นสุดลงมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเอถ้าลองมี <c oughs> อิธิบาศีลองมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเยมรรคผลนิพพานวิมุตตินี้จะไม่อยู่กลายจากเอื้อมเอืจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าทรงรับประกันนะถ้าเร็วก็เจดวันถ้าช้าก็เจ็ดเดือนถ้าช้ากว่านั้นก็ไม่เกินเจ็ดปีจะต้องบรรลุวิมุติหลุดพ้นอย่างแน่นอนนี่คือการพิจารณาการแสดงธรรมต่อบุคคลสี่ประเภทประเภทแรกก็คือพวกนักบวชที่มีทั้งศีลที่บริสุทธ และมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาพวกนี้พอได้ยินได้ฟังอริยสัจสี่มรรคแปดก็จะสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่เรียกว่าบัวเหนือน้ำพอพวกนี้ พอสอนพวกนี้หมดแล้วพระองค์ก็มุ่งไปสอนพวกที่สองต่อไปในระยะแรกๆในการแสดงธรรมนี้ทรงมุ่งไปแต่พวกบัวเหนือน้าทั้งนั้นไปแสดงที่สำนักหนึ่งมีนักบวชอยู่ห้าร้อยรูปด้วยกันพอสแสดงธรรมเสร็จนักบวชทั้งห้าร้อยรูปบรรลุปเป็นผ้าอาหารพร้อมๆกันเลยจึงมีพระ อ, อาหารหนึ่งันสองร้อยห้าสิบรูปปรากฏขึ้น ในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองตั้งแต่ที่ได้ทรงแสดงธรรมในวันอาสาหาบูชาพอมาถึงวันมาคะบูชาเดือนสามเนี่ยเป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนก็มีพระอาหนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิตสารทิศ ต, ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันนี พอทรงสอนพวกบัวเหนือน้ำหมดแล้วทีนี้ก็มุ่งไปพวกที่สองพวกเรียกว่าพวกบัวปลิ่มน้ำนะคือพวกที่นักบวชมีศีลแต่ยังไม่มีสมาธินี่พวกนี้แหละที่พระองค์ได้ทรงสอนสติปัฏฐานสี่สอนให้พวกนี้รู้จักวิธีเจริญสติให้รู้จักวิธีนั่งสมาธิด้วยการเจริญอาณาปณ ะ, ะสติ ให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาพอได้อุเบกขาได้สมาธิแล้วก็สอนให้เจริญปัญญาศึกษาร่างกายศึกษาเวทนาและศึกษาจิตให้เห็นว่าออกายเวทนาจิตนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาต้องปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราจิตคืออารมณ์ต่างๆไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งนั้นเป็นตายรักอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมถ้าอยากจะวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่ยึดไม่ติดต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วทุกข์ก็จะดับไปสาเหตุที่ทุกข์กันก็เพราะว่าไปยึดไปติดในกายในเวทนาในจิตนี้เอง ทุกวันนี้พวกเราทุกข์กับอะไรถ้าไม่ได้ทุกข์กับกายไม่ได้ทุกข์กับเวทนาไม่ได้ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตของเรามันส่งความทุกข์มาให้เราสลับกันร่างกายก็ทุกข์ตั้งแต่หิวแนละ้วหิวน้ำปวดท้องปวดท้องฉี่ปวดท้องอะไรต่างๆเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายทุกทางร่างกาย เวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็มีสุขเวทนานนเดี๋ยวก็มีทุกข์เวทนาเดี๋ยวก็มีไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาจะให้มันมีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้จิตก็เหมือนกันจิตก็มีอารมณ์แ่งไปแ่งมาเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนี่เรียกว่าจิตต้องปล่อยอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยาก อย่าไปจัดการกับเขาอย่าไปอยากให้เขาอารมณ์เบิกบานอย่างเดียวอย่าไปอยากให้เขาสงบอย่างเดียวควบคุมบังคับเขาไม่ได้ให้รู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วจะไม่ทุกข์กับเขาที่ทุกข์เพราะไปอยากจะไปให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราอันนี้คือพวกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกลุ่มที่สองคือพวกบัวปริ่มน้ำพวกนี้เหมือน เหมือนต้นบัวที่จะต้องรอเวลาให้มันโผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วถึงจะบานต่อไปได้รอเวลามาศึกษาสติปัฏฐานสี่มาปฏิบัติจเจริญสติจเจริญกรรมฐานมานั่งสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิหลังจากนั้นก็ให้ไปจเจริญปัญญาพิจ า, ารณาไตรลักษณ์ในกายเวทนาจิตทัน อพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่ใช่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยวางให้หมดปล่อยวางหมดก็จะหลุดพ้นได้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ตามลาดับต่อไปนี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่เป็นนักบวชแล้วมีศีลแล้วแต่ยังไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา กเลยต้องสอนสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี่สอนทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาพอหมดกลุ่มนี้ไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ยังรักษาศีลไม่ได้ยังบวชไม่ได้ก็คือพวกคารวะทุกข์ของเรือนนี่แต่ยังมีใจบุญใจกุศลยังมีใจเชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นอยู่ก็มาสอนพวกนี้ให้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมสอนทานศีลภาวนาให้แก่ผู้ที่เชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อกฎแห่งกรรม สอนให้ทาทานเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาสอนให้รักษาศีลเพื่อละการกระทำบาปต่างๆเพราะถ้าทำบาปก็จะทำให้จิตต้องไปติดในอบายตายไปแล้วก็ต้องไปติดในอบายสีถ้าไม่ทำบาปก็จะพ้นจากอบายสีแล้วถ้าทำบุญก็จะได้ขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดา ดากาศให้ภาวนาถ้าภาวนาสมถภาวนาได้ก็จะขึ้นไปเป็นอ่าขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้สู่รูปภพอารูปภพโดยการเจริญสมถภาวนาคือการเจริญฌานขั้นต่างๆนีเ่เรียกว่าสมถภาวนาพอได้ฌานสี่ขึ้นไปแล้วทีนี้ก็ให้ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อ ให้ศึกษาให้เจริญพิจารณาใจลักในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยที่จิตไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือร่างกายเวทนาและจิตนี้เช่นเดียวกันนอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามเป็นบัวกลุ่มที่สามก็เรียกว่าบัวกลางน้ำบัวพวกนี้จะต้องใช้เวลานานกว่าบัวสองกลุ่มแรกจะต้องเปลี่ยนจากบัวกลางน้า ให้เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นบัวปริ่มน้าก่อนแล้วจากบัวปริ่มน้าถึงจะเป็นเป็นบัวเหนือน้าแล้วก็ไปรอแสงสว่างของดวงอาทิตย์คือแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดจากการเจริญปัญญาพิจารณาไตรักเนี่ยพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นายรักก็ปล่อยวางได้หมด น, นี่คือบัวสามเหล่าที่พระองค์ทรงเห็นว่า เป็นพวกที่ยังสามารถมีโอกาสที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาปฏิบัติให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นไดน้ก็มุ่งไปสอนบุคคลทั้งสามกลุ่มนี้วันวันหนึ่งนี้พระองค์ทรงสแสดงธรรมให้กับบุคคลสามกลุ่มนี้ตอนบ่ายก็สแสดงธรรมสอนศรัทธาญาติโยมผู้คลองเรือ น, อนตอนค่ำก็สอนพวกนักบวช ตอนเด็กก็สอนพวกเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเล่งยานดูว่าจะไปโปรโดใครเป็นกรณีพิเศษจิตใครพร้อมที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นก็ทรงมุ่งไปสอนบุคคลนั่นก่อนนี่คือการโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าการเปลี่ยนจากการจะไปเป็นพระประเจกัพุทธเจ้า มาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์โลกด้วยพระกรุณานี้พระกรุณาคุณกรุณานี้ก็คือคุณสมบัติของพรหมพรมวิหารสี่พรมนี้จะมีคุณสมบัติสี่ประการมีเมตตาการุณามุญตาอุเบกขาพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นวิสุทธิพรหมเป็นพรหมที่วิสุทธ ปัสจากกิเลตันหาวิสุธทธิพรมก็มีพระกรุณาเต็มเปลี่ยมอยู่ในพระไยเพระกรุณานี่แหละที่ทำให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระไทยจากการไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้มาสั่งสอนสัตว์โลกมาสงเคราะห์สัตว์โลกจึงทำให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้จนถึงวันนี้ และจะอยู่ต่อไปได้อีกประมาณ 2,500 กว่าปี 2,400 กว่าปีเพราะเราผ่านกึ่งพุทธกาลแล้ว 2,500 ปีนี้เป็นครึ่งทางแล้วหลังจากนั้นก็เป็น 2,400 กว่าปีศาสนาก็จะหมดแสงสว่างไปเพราะไม่มีผู้สามารถศึกษาปฏิบัติตามได้ ส่วนบุคคลที่สี่คือพวกบัวที่อยู่อยู่ที่โคลนตมผู้ที่โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือ น, น้ำนี้มีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้คือพวกที่ไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อในเรื่องมรรคนิพพาน เชื่อแต่อบายมุกเชื่อแต่การทำบาปเนี่ยพวกนี้จะชอบหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าผ้าด้วยวิธีการต่างๆจะทำบาปถ้าต้องทำบาปก็ยินดีทำบาปจะชอบเสพอบายมุกชอบเล่นชอบดื่มโซราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเตะชอบคบชอบคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตร และชอบเน่นการพนันชอบความเกียจคร้าเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีวันที่จะหันเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกนี้ก็เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าต้องชักสะพานคือไม่สามารถสั่งสอนให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เพราะใจเขานี้คว่าหนงไม่ได้หงายขึ้นมาเพื่อรับ พระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเวลาที่เทน้ําลงแก้วถ้าผู้ที่มาขอน้ําไม่ได้หงายแก้วขึ้นถ้าเทน้ําลงไปแก้วที่คว่าอยู่มันไม่สามารถรองรับน้ําได้แม้แต่หยดเดียวก็ไม่รู้จะเทไปให้เสียประโยชน์ทําไมเสียเวลาทําไมนั่นแหละคือลักษณะของบัวเหล่าที่สี่เป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุ ญ, เ ร, บญเรื่องบาป เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเนี่ยพนี้สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเปรียบเทียบกับเหมือนเทน้าใส่หลังสุนัขน้ำที่เทลงบนหลังสุนัขนี้จะไม่อยู่อยู่ในตัวสุนัขเลยเพราะสุนัขมันจะสะบัดทิ้งไปหมดนี่คือ บัวเหล่าที่สี่บุคคลกลุ่มที่สี่ที่ทางศาสนานี้จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เพราะเขาไม่จะเพราะเขาจะไม่ยอมเข้าหาศาสนานั้นเองศาสนานี้ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คนเข้ามานับถือมาศึกษามาปฏิบัติได้ต้องอยู่ที่ศรัทธาของเขาเท่านั้น ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่มีทางที่จะสอนเขาได้แต่บัวสามเหล่าแรกนี้มีศรัทธามีศรัทธาในบุญในบาปในการเวียนว่ายตายเกิดในการหลุดพ้นจากการวเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติทำขั้นต่างๆพวกนี้สอนเขาได้สอนเขาได้แล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการสั่งสอน นี่คือเรื่องของพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่มีรสอยู่รสเดียวเท่านั้นคือรสของการดับทุกนี้เองเหมือนกับรสของน้ำทะเลมหาสมุทรที่มีในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายกายกองไม่ว่าจะไปต่างน้ำทะเลที่ไหนนี้จะเจอรสเหมือนกันหมดคือรสของความเข็มฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เช่นเดียวกัน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 สัพพะโรโขวินาถสัตวมัเต์ภวะตวันตาบายสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีฤทสานิจังวุฒาปะจายิโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังหาลั วันนี้มีชัดแบบใหม่ออกมาแล้วของ Facebook มาแล้ว Facebook Messenger Room ห้าสิบคนฟรีไม่มีกำหนดเวลาเข้าไปถ้ามี m e s s e n เจออยู่แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยคลิกไปที่ตัวกล้องแล้วมันก็จะบอกให้ Create Room สร้างห้องขึ้นมาแล้วมันก็จะมีลิงก์ให้เราส่งไปให้เพื่อนใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยง่าย ง่ายมากมีถ้ามี messenger อยู่แล้วนะมี facebook messenger อยู่แล้วก็สามารถที่จะ create room ได้ทันทีไปกดที่กล้องนะลองดูเนี่ยไปดูที่หน้า messenger ดูถ้าในมือถือนี้อาจจะต้องดาวน์โหลดลงมาแต่ถ้าหรืออาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ก็ อ, อาจจะอัปเดตให้แล้วก็ได้ถ้าอัปเดตแล้วก็มีเนี่ไปกดที่กล้องมันจะบอกให้ create new room รสร้างห้องใหม่น พอเรากดป้ามันก็ถามว่าใช้ชื่อใช้ชื่อนี้ใช่ไหมบอกใช้ชื่อนี้แล้วก็คลิกต่อไปมันก็จะมีที่ให้เราส่งลิงก์ไปให้กับเพื่อนพอส่งลิงก์ไปเดี๋ยวเพื่อนเห็นลิงก์กดก็เข้ามาเลยเมื่อกี้ลองส่งลิงก์ไปให้ท่านบอมเลยส่งไปสองนาทีก็เข้ามาแล้วเห็นหน้ า, นนากันห้าสิบคนหนักสิบอกห้าสิบคน ไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าใครไปได้ลิงก์นี้เขาก็แทรกเข้ามาได้นะสมมติถ้าเราไปแชร์ลิงก์ให้กับคนอื่นด้วยคนอื่นเขาเห็นเขาก็กดเข้ามาได้ไม่มีเข้ามาได้เลยในเวลาแชร์ลิงก์ต้องบอกว่าแชร์เฉพาะเพื่อนนี่ถ้าเราไปโพสไว้ในหน้าเฟ e b o ๊ k นี่ก็เข้ามาหมดเลยที่คอยก็เข้ามาได้หมด ของกูก็ก็มีแล้วนะ Google Meet ก็มีวันนี้เขาก็แจ้งมาแล้วเวลาเข้าไปเช็คเมลในในในจีเมอมันจะแจ้งขึ้นมาตอนนี้คุณสามารถใช้ Google Meet ได้รู้สึกห้าสิบคนเหมือนกันอย่างนี้มันแข่งขันกันอามา ร, มราใช่ไหมบอกก็ใช่ไหมแจ้งกัใช่ไหมสร้างกลุ่มอยู่ที่ว่าเราจะสร้างกลุ่ม ก็เหมือนกันก็ต้องไปส่งส่งลิงก์ไปบอกเพื่อนอ่าบอกว่าตอนนี้กําลังอเปิดห้องอยู่ใครอยากจะมาคุยกันอก็เข้ามาได้เนี่ยเพราะตอนนี้คนใช้กันเยอะเพราะต้องทํางานที่บ้านกันทํางานที่บ้านกันติดต่อคิดถึงกันอยากจะเห็นหน้าเพื่อนฝูงหลายๆคนพร้อมกันพวกที่ชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนมานั่งกินเหล้ากัน พวที่ชอบนั่งสมาธิก็ชวนมานั่งสมาธิกันพวที่ชอบฟังธรรมก็ชวนมานั่งฟังธรรมกันเนะพราะเดี๋ยวนี้ไปข้างนอกไม่ได้ไปที่ไปที่มีการประชุมกันไม่ได้ก็ต้องใช้เทคโนโลโยนีนี่ถึงแม้จะอยู่ห่างกันแต่ก็เหมือนอยู่ใกล้กันเจอหน้ากันพร้อมกันทุกคนเห็นหน้าพร้อมๆกันเลยคุยกันได้ก็ดี อันนี้ก็ช่วยโฆษณาให้ Facebook กับ google เขหนะ่ะในฐานะที่เขาเมตตาให้เราใช้ฟรีอ่าวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา467ค่ะ y o ย t u b บ241ค่ะวิทยุออนไลน์14ซูม13 รวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยสามสิบห้าท่านเจ้าค่ะเจ็ด้อยสามสิบห้าก็ถ้าใครมีคำถามก็เชิญส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆจะพยายามตอบไปจนถึงประมาณเวลาสามโมงสี่สิบห้ามีคำถามหรือยังมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กเราเจ้าค่ะจากคุณสุภาชัยพี่ชายกลัวโรคโควิด จนเครียดมาสามเดือนแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหาหมอจิตมาก็ไม่ดีขึ้นรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางหาทางออกให้ด้วยครับในเบื้องต้นก็ต้องพยายามทำจิตใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเช่นเวลานอนหลับนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ความเครียดก็หายไปพอตื่นขึ้นมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนี้ก็เครียดขึ้นมาใหม่ ยังพอตื่นขึ้นมานี้ต้องหยุดมันเลยอยาให้มันคิดถึงเรื่องโควิดนี่ให้มันคิดถึงพุโทโธแทนนให้มันท่องพุโทโธแทนอย่าไปโควิดโควิดยิ่งโควิดยิ่งเครียดนะแต่ถ้าให้ท่องพุโทโธคิดถึงพุโทโธได้ความเครียดมันก็จะไม่เกิดนี่คือเบื้องต้นคือวิธีง่ายที่สุดแต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามถ้าไม่ขยันพุโทโธ มัวไปขยันโควิดก็เขรียดขึ้นมาใหม่เห็นต้องพยายามสู้กับโควิดให้ได้คือสู้กับความคิดถึงโควิดด้วยการให้คิดถึงพุทโธแทนพุทโธพุทโธไปพอตื่นขึ้นมาพอมันจะโควิดปั๊บก็พุทโธพุทโธไปเลยทำอะไรก็พุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปสักพักโควิดมันก็จะหายไปใจก็จะสบาย ล้วถ้าเกิดมันกลับมาคิดใหม่ก็พุโทโธใหม่สู้กันไปอย่างนี้จนถ้าเราสู้ไปเรื่อยๆเราสู้มันได้แล้วทีนี้เราไม่กลัวมันพอมันจะโควิดปับ๊บเราก็พุทธโธไปอย่าไปคิดให้เสียเวลาเพราะเรื่องของโควิดนี้เราไปจัดการมันไม่ได้ในตอนนี้เราต้องจัดการตัวเราเองอป้องกันตัวเราเองตอนนี้ยังไม่มีวิธีการกำจัดโควิดได้ ก็เลยต้องป้องกันตัวเองไปก่อนส่วนทางใจเหล่านี้พอเรามีกำลังที่จะทำใจให้สงบได้ไม่ไม่หวาดกลัวกับโควิดแล้วขั้นที่สองก็หัดมาใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายของเรานี้มันโควิดแล้วไม่โควิดมันก็ต้องเจอโรคใดโรคหนึ่งอยู่ดีนะไม่เจอโควิดก็ไปเจออฮีวาไม่เจออะฮีวาก็ไปเจ อ, อ ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่มาเลยเรียอะไรต่างๆมันมีโรคเอดก็ยังมารอเราอยู่นี่มันยังจะไม่มีโรคเอดมันก็ไม่ได้หายไปนล้วมันยังมีโรคอะไรต่างๆที่จะเข้ามารังควานร่างกายของเราได้เสมอแล้วก็ถึงแม้จะไม่มีโรคราเหล่านี้มันก็มีโรคในตัวของมันเองในร่างกายมันก็มีโรคของมันรออยู่ โรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคปอดนโรคอวัยวะต่างๆของร่างกายนี้มันเป็นที่ที่เพราะเชื้อทั้งนั้นเพราะเชื้อโรคทั้งนั้นที่สร้างเชื้อโรคท่านั้นดังนั้นให้พิจารณาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายว่ามันเป็นธรรมดาล่วงพ้นหนีมันไม่ได้หนีมันไม่พ้นเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา เรื่องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้แล้วถ้าเจ็บแล้วถ้ารักษาไม่ได้มันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดานั่าน่างกายถ้าไม่ได้ตายด้วยโรคมันก็ตายด้วยหมดแรงตายไปพอหมดลมมันก็ตายไม่มีแรงหายใจมันก็ตายเหมือนกันงั้นเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายทุกคนจะต้องเจอกันช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ถ้าใจเป็นปกติใจสงบแล้วถึงจะสอนเรื่องนี้ได้ถ้าใจยังเครียดอยู่ยังกลัวอยู่นี่ยังสอนไม่ได้ใจยังเครียดยังกลัวอยู่ก็ใช้ใช้พุทโธดับความเครียดความกลัวไปก่อนพยายามเราเลึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงโควิดคิดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายพอคิดแล้วมันยิ่งกลัวยิ่งเครียดอย่าเดี๋ยวเป็นบ้าอืมในเบื้องต้นนี้ต้องทําใจให้กลับมาเป็นปกติก่อน ให้มันสงบเป็นปกติไม่เครียดก่อนด้วยการใช้สติคือพุทโธยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ได้พอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะหายเคยรียดใจก็จะเป็นปกติได้ต่ออย่างนั้นถึงจะมาสามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้พอเห็นว่าร่างกายนี้ยังไงก็ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีทางอื่นก็ ถ้าไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ปล่อยมันไปนั่นเพรพอปล่อยได้แล้วใจก็หายทุกข์หายเครียดกับความเจ็บความตายคำถามจากทางอินบ็อกค่ะถ้าเปิดกองบุญพระป่าหลอดไฟแล้วเงินที่เหลือถวายวัดไปด้วยเรียกว่าย้ายกองบุญได้ไหมคะได้มันเป็นการทำบุญเหมือนกันนะทางที่ ด, ดีก่อนที่เราจะสร้างกองบุญก็บอกคนก็ก่อนว่า ถ้ามีเหลือก็จะถวายวัดไปนะเขาจะได้อนุอโมธนาจะได้ไม่มีใครมาจับผิดว่าเรายักยอกเงินหรือเปล่าไม่ทําตามจุดประสงค์หรือเปล่าเห็นเวลาบอกบุญใครก็บอกว่าบงเล็บ ว, ว่าเผื่อถ้าได้เงินมากกว่าที่จะเอาไปใช้ในการใช้จ่ายสิ่งของซื้อสิ่งของต่างๆก็จะขอนํามาไปถวายวัดต่อไปถ้าเขาไม่ว่าอะไรไม่ขัดข้อง ถ้าเขาบรยจากก็แสดงว่าเขาไม่ขัดค้องก็จะได้ไม่ต้องกังวล ม, มันเป็นบุญเหมือนกันจะเอาไปใช้ที่ไหนมันก็ได้บุญเท่ากันมอนไม่บุญนี่ไม่อยู่ที่ว่าจะไปใช้ที่ไหนกับใครบุญนี่อยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของผู้ให้พอผู้เสียสละแบ่งปันให้ไปแล้วไม่มีจิตใจที่ะจะตะกิตตะขวงใจแล้วก็บุญก็จะเกิดขึ้นเต็มร้อยแต่ถ้ายังไป ยังไปติดอยู่ว่าบุญเงินนี้จะไปทําที่ไหนถูกต้องหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ยังอาจจะทําให้บุญไม่เต็มร้อยเพราะยังมีความยึดติดในเงินก้อนนั้นอยู่เห็นผู้ที่ทําบุญอยากจะได้บุญเต็มร้อยก็ทําแล้วก็แล้วไปเลยอย่าไปคิดถึงนะว่ามันจะไปถึงไหนถึงหรือไม่ก็ตามแต่สําหรับผู้ให้นี้ได้บุญเต็มร้อยแล้วอคํำถามจากคุณทนิ tha ค่ะ ถ้าศิลอยังบกพร่องเป็นระยะระยะแต่ขณะเดียวกันก็เพียรฝึกปฏิบัติสมาธิไปด้วยจะยังสามารถพัฒนาได้ไหมคะหรือต้องทํำศินให้ครบถ้วนตลอดเวลาถึงจะเจริญในสมาธิปัญญาได้คะ่ะก็ต้องทําควบคู่กันไปสินสมมุติได้ศีนร้อยละห้าสิบก็จะฝึกสมาธิได้ร้อยละห้าสิบ รักษาศีลได้ร้อยละเจ็ดสิบก็จะสามารถฝึกสมาธิได้ร้อยละเจ็ดสิบนะทุกอย่างมันไม่จําเป็นจะต้องเต็นร้อยพร้อมๆกันกอย่างทีละอย่างทําไปควบคู่กันไปเริ่มแต่ทานร้อยละสิบก็ได้ศีลร้อยละสิบได้สมาธิร้อยละสิบได้ปัญญาร้อยละสิบไปเทําไปตามกําลังเราทําได้ทานเราทําได้มีเงินก็ทําไปศีลเราก็รักษาได้สมาธิเรามีเวลาว่างเราก็นั่งได้ ัญญาเราก็ฟังเทศฟังธรรมได้เนี่ยมันก็ทำไปตามกำลังของของที่เรามีถ้ามีร้อยละสิบก็ทำได้อย่างร้อยละสิบถ้ามีล้อยละี่สิบมันก็จะทำได้ร้อยละยี่สิบไปคำถามจากคุณขวัญค่ะเวลาเดินจงกรมเหมือนเห็นบางอย่างข้างๆตัวเราตลอดแต่ก็กำหนดต่อไปไม่ได้สนใจอยากรู้ ว่าคืออะไรทำถูกแล้วหรือไม่คะถูกต้องอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นจิตชอบหลอกเราชอบห้อนเราชอบสร้างนู่นสร้างนี่มาให้เราไม่ให้มีสติไม่ให้มีสมาธินั่นเององั้นขอให้เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปจะรู้สึกว่ามีใครเดินตามหลังเราถ้าเดินจงกรมคิดว่ามีใครเดินตามหลังเราจะเอามีดมาจิ้มมาแทงก็ให้มันจิ้มมันแทงไป ไม่ต้องไปพัวแต่แล้วเหลียวซ้ายเหลียวขวาอย่างนั้นไม่เป็นสมาธิเวลาทำสมาธิหรือเดินจงกรมนี่อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรอย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆที่โผล่ขึ้นมามันจะทำให้เสียสมาธิแลวจะไม่ได้ผลนั่นเองคำ ถ, ถามจากคุณสง่าค่ะ <c oughs> เรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลหรือหวยไม่ทราบว่าเราติดอาบายยมุกหรือไม่ครับ ก็อยู่ที่ว่าเราติดหรือไม่ติดนะถ้าเราซื้อแบบเสี่ยงโชคหรือซื้อคิดว่าแบบทำบุญนี้ก็ไม่ติดนะคิว่าอ่ะซื้อแล้วถูกก็ดีไม่ถูกก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปอันนี้ก็แต่ถ้าซื้อแล้วมาจิตใจมาคอยจดจ่อมาคอยกังวลกินไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาไม่ถูกก็เสีย อ, อกเสียใจอันนี้เรียก็ติดละ แล้วก็อยากจะได้คืนเพราะคราวนี้ไม่ได้คราวหน้าก็ต้องแทงใหม่เล่นใหม่ถ้าเล่นแบบนี้เรียกว่าติดนแต่ถ้าเล่นแบบทําบุญนะคราวนี้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรได้บุญวนะดีกว่าได้เงินก็มีเงินวันไหนอยากจะซื้อก็ซื้อวันไหนไม่มีเงินก็ไม่ซื้อก็ได้ถ้าแบบนี้ก็ไม่ติดคําถามจากคุณรง์ชัยค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เคยอ่านประวัติ ขอขออภัยค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์เคยอ่านประวัติครัวอาจารย์ท่านกล่าวว่าเคยปราถนาคุธภูมิทำให้การปฏิบัติทําไม่ก้าวหน้าต้องอธิษฐานละความปราถนานั้นขอมุ่งสู่นิพพานเป็นสาวกในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วจึงจะก้าวในธรรมต่อไปเรียนถามว่าในส่วนนี้ควรปฏิบัติตามอย่างไรครับ คือคนที่ติดพุทธภูมิก็คือคนที่ต้องทำทานต้องช่วยเหลือผู้อื่นก่อนช่วยเหลือตอนเองพอไป่วงมุกไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นก็จะไม่มีเวลามาช่วยเหลือตอนเองเอย่างนอย่าถ้าถ้าอยู่ในยุคที่ไม่มีคำสอนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ช่วยคนอื่นไปก่อนดีกว่า แต่พออยู่ในยุคที่มีคําสอนนี้ท่านสอนให้ไปภาวนาให้ไปช่วยตัวเองก่อนพออยู่ในยุคที่มีคําสอนก็ต้องเปลี่ยนเป็นจากการมุ่งไปช่วยเหลือผู้อื่นมาช่วยเหลือตนเองก่อนไปปีกวิเวกไปภาวนาก่อนอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ปรารนาพุทธภูมิท่านก็ช่วยเหลือคนอื่นจนถึงอายุหกสิบมเป็นครูอาจารย์ตัวท่านเองยังไม่บรรลุท่านอาจจะได้ทําขั้นไหนก็ไม่ทราบ ได้สมาธิหรือได้ปัญญาหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ท่านก็สอนให้ผู้อย่างน้อยรู้ได้ได้สมาธิเพราะ ท, าท่านมีท่านมีท่านมีอะไรอุปจารสมาธิท่านมีตาทิบหูทิพแต่เรื่องปัญญาท่านอาะยังจะไม่มีก็ได้แต่ท่านก็เมตตาสอนพายาโยมลูกศิษย์พระเนรปฏิบัติธรรมแต่ใจท่านก็ไม่ได้หลุดพ้นสัี จนพอเึงอย 60, บบายุหกสิบท่านบอกใกล้จะตายแล้วเว้ยต้องเปลี่ยนแผนนะก็เลยทิ้งหมดเลยหนีไปอยู่เชียงใหม่องเดียวไปเปรียกวเวกอยู่กับพวกชาวป่าชาวเขาอยู่สิบปีด้วยกันใครจะติดตามไปขออยู่ด้วยท่านก็ไม่รับหนีอย่างมากถ้าติดช่วงพรรษาก็ให้อยู่แค่สามสามเดือนพอพรรษาก็ตัวใครตัวมันท่านไม่ ท่านไม่อยู่กับใข่ท่านมุ่งไปสู่วิมุตติอย่างเดียวตอนนั้นพอท่านอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับนิมนต์ให้มาโปรดสั่งสอนเพราะหลังจากอายุเจ็สิบเนี่ยท่านไม่ทราบบรรลุเมื่อตอนไหนระหว่างหกสิบไปเจ็ดสิบเนี่ยแต่ท่านบรรลุแล้วท่านก็เลยมาหลังจากอายุเจ็ดสิบก็มามาโปวดญาติโยมทางพระภากษุอันต่อ เนี่ยมามีสั่งสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรารู้จักกราบไหว้บูชากันส่วนหนึ่งก็ชิดในยุคหลังนี้มียุครากท่านก็สอนบ้างยุคที่มาอยู่ทางป้าฤษณ์นี่ท่านก็สอนอยู่เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องสร้างเป้าไปที่พุทธภูมิ เหมือนพระพุทธเจ้าของเราถ้าก็ตั้งไปที่พุทธภูมิแต่พอท่านมีแต่ถ้าพอมีคำสอนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไปพุทธภูมิไม่เสียเวลาก็มาจเจริญธรรมะในส่วนที่ไม่มีคือปัญญาคำถามจากทาง YouTube ค่ะความแตกต่างระหว่างสมมุติและวิมุติ <c oughs> แตกต่างกันอย่างไรคะ สมมุติก็คือการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเนีเพราะสิ่งต่างๆที่อยู่ในตายพบนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของที่มีแก่นแท้สาระที่แท้จริงส่วนวิมุตินี้เป็นการหลุดพ้นจากสมมุติการไปสู่สิ่งที่เป็นแก่นแท้สาระที่แท้จริงก็คือพานิพานท่านถานจากคุณนัดการนุตค่ะ โยมไม่ค่อยได้ใส่บาตรตอนเช้าแต่ใช้วิธีโอนเงินร่วมบุญค่าพัดทหารกับวัดแทนขอเดินถามพระอาจารย์ว่าอันนี้สงของบุญนั้นจะเหมือนกับไปใส่บาตรครด้วยตนเองอยู่ไหมคะเหมือนกันเหมือนกันบุญนี้เหมือนเป็นเจ้าสารพัดเนี่ยถึนแม้ไม่ได้ทําบุญใส่บาตรก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอดตาย บุญนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้จิตใจไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ต้องกังวลทําบุญกับปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ไม่ต้องกลัวอดตายว่าปล่อยนกปล่อยปลาแล้วชาตหน้าไม่มีกินไม่ต้องกลัวเพราะมีบุญบุญเป็นอาหารของใจอย่างการทําบุญแบบไหนนี่ขึ้นอยู่ที่จริตความชอบของเราท่านองเราชอบปล่อยนกปล่อยปลาล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาไปแล้วชอบทําบุญใส่บาตรก็ทําไป ได้บุญเหมือนกันได้ความอิ่มความสุขเหมือนกันคำถามจากคุณจิรวัฒน์ค่ะเตรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิไปสองถึงสามชั่วโมงก็เริ่มปวดขาและทำให้ไม่อยากนั่งสมาธิต่อจะมีอุบายหรือวิธีแก้ไขอย่างไรไหมครับก็บริกรรมพุทโธต่อไปเวลานั่งริ่มรู้เหตการเจ็บก็อยากขี้เกียจต้องขยันท่องพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือสวดนวลสวด a อ p ิปไปมันก็จะทำให้มีสติมีกำลังที่จะนั่งต่อไปได้คำถามจากทางยูทูบค่ะจิตที่พ้นที่แน่นอนคือพระนิพพานไม่ทราบคือจิตแบบใดเจ้าคะจิตที่ซิ้นกิเลสเนี่ยสิ้นจากความโลภอดหลงสิ้นจากความอยากสิ้นจากโมหะอวิชชาคำถามจากคุณหัวเว่ยค่ะ เป็นแม่ชีปฏิบัติที่บ้านตลอดพรรษาได้ั้ยคะเรื่องจากป่วยอยู่วัดอาจไม่สะดวกจะเป็นภาระกับคนอื่นมากเกินไปเจ้าค่ะได่ปฏิบัติที่ไหนไม่เป็นปัญหาขอให้ได้ปฏิบัติเท่นั้นเถอดไปอยู่วัดแต่ไม่ได้ปฏิบัติอยู่บ้านได้ปฏิบัติก็อยู่บ้านดีกว่าไปอยู่วัด ต, ตัวสาคัญไม่ใช่อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่การปฏิบัติ คำถามจากคุณนางฟ้าจำแลงค่ะหนูอยู่ภาวนาที่วัดเป็นเวลานานหลายวันกินข้าววัดแต่ไม่ได้ถวายปัจใจเลยค่ะถวายนิดๆหน่อยๆแต่ทํางานแทนเช่นล้างจานเก็บจานสวดมนต์วัดเช้าวัดเย็นทำงานวัดเท่าที่ทำได้อยู่อย่างสงบแบบนี้หนูติดนิสส่งวัดหรือไม่คะ อ, อ๋าไม่ติดหรอกถ้าทางวัดเขาไม่ได้อ่าไม่การกําหนดว่าจะต้องจ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านีน้ถ้าไม่มีการกําหนดพระวัดก็ให้อยู่ฟรีก็อยู่ไปกินฟรีอยู่ฟรีกินฟรีไม่เป็นหนี้แต่อย่างใดอ่ตอนนี้ไม่มีคําถามเลยค่ ะ, ะแต่อย่าอยู่ฟรีกินฟรีหรืออย่าทำงานอย่างเดียวต้องปฏิบัติทอ สำคัญการอยู่วัดนี้อย่างแม้เราจะไม่มีเงินแล้วเราชดใช้ค่าใช้จ่ายด้วยการทํางานให้กับวัดก็ตามอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีควรจะปฏิบัติธรรมเพราะที่วัดนี้เป็นที่สะดวกต่อการปฏิบัติธรรมส่วนการทํางานเพื่อชดใช้ค่าอาหารค่าที่อยู่ที่พักก็ทําไปตามกําลังของเรา ทำได้มากได้น้อยก็ทำแต่แต่เป้าหมายคนอยู่ที่การปฏิบัติทําเป็นหแลบบักค่ะคถามจากคุณไพฑูรน์ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ว่าไข่ไก่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับก็ไม่รู้แหละเข้าใจเท่าที่เข้าใจไก่บางชนิดก็มีพักเป็นตัวได้ไข่ไข่บางชนิดก็ไม่ลักเป็นตัวนีนก็แล้วแต่ ขที่ก็ามาขายนี้ก็คิดว่าเป็นขายที่ไม่มีฟักเป็นตัวคำถามจากคุณวิโรธค่ะเรียนถามท่านอาจารย์อริยรรสัจสี่สิบสองรอบคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะรู้รอบเดียว น, นะอรอบเดียวก็พอคืออริยรรสัจสี่มันมีสี่รอบความจริง รอบที่หนึ่งรอบของพระโสดาบันรอบที่สองรอบของพระสกิดาคามีรอบที่สามรอบของพระอนาคามีและรอบที่สี่คือรอบของพระอรหันต์เพราะตัวความอยากมันเปลี่ยนไปความอยากของพระโสดาบันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากของพระสกิดาคามีก็อยากเสดกามอืมเช่นเดียวกับพระอนาคามีก็อยากเสดกามอืม ผราสติดาคาร์มีก็ห้ามความอยากเศษการมได้ครึ่งหนึ่งทำให้เบาบางลงแต่ทำยังทำให้ไม่หมดส่วนผ้านาะคาร์มีทำให้ความอยากเศษการมนี้หายไปหมดด้วยอำนาจของอสุภะที่สามารถที่จเจริญอย่างเต็มที่มีอยู่ตลอดเวลาพอเห็นอะไรว่าสวยว่า ง, งามอาสุภะมันก็จะเข้ามา ท, ทันทีจนทำให้ การการอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าสกิรดาคานี้บางทีเผลอไม่ทันเห็นสวยแล้วสวยเลยหล่อแล้วหล่อเลยแล้วรู้สึกตัวทีโอ้ยหมดเวลาเปนต้องหลายวันอันนี้ความช้าของอสุภะยังไม่ยังไม่เร็วพอก็ได้เป็นบางเวลาบาเวลาก็เร็วพอเกิดการอารมณ์ปั๊บอสุภะก็มาปุ๊บเลยนี่ก็หายไปเลย ตอนนี้ก็เป็นก็เป็นอสุภะอสุภะก็เป็นมร์แล้วก็การมณลมก็เป็นสมุทัยอย่างันสู้กันก็มีก็เป็นอรยิยสัจเนี่นยก็ถ้าตัวไหนชนะก็ถ้ามรชนะก็นิโรดการมรลมก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปถ้าถ้ากิเลสชนะการมรลมชนะก็ทุกข์ขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมากระสับกระสานกังวลกังวาน อ่านี่มันแต่ละรอบเนี่ยพระสกีนาคาก็มีของท่านพระนาคาก็มีของท่านถ้าอรหันต์ท่านก็มีของท่านอรหันต์ท่านก็ไปยุ่งกับเรื่องจิตใจของท่านเรื่องอารมณ์ต่างๆภายในจิตใจของท่านถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาพอรู้ทันว่าอยากไม่ได้ต้องปล่อยมันมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปรู้ทันมันรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอารมณ์ต่างๆมันก็ มันก็ไม่ทุกอันนี้ก็เป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรกอีกรอบหนึ่งงั้นถ้าพูดตามหลักก็มีอยู่นะนะนะสีร่รอบชั่วขาวไงสมาธิอย่างชั่วขาวเวลาเข้าสมาธิหรือเวลาชนะกิเลสแต่ละครั้งก็เหมือนนิโรธชั่วขาวกิเลสตอนนี้ตายแต่อีกตัวยังไม่ได้แสดงผล ยังมีตัวอื่นรออยู่แต่มันยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเช่นพอได้เป็นพระโสดาบันนี้จิตก็สงบปับ๊บไอตัวกิเลส ท, ที่ความอยากมีความอยากไม่ตายไม่เจ็บไม่แก่มันก็ตายไปมันก็หมดไปจิตก็สงบลงแล้วเดี๋ยวพักะไปเห็นคนสวยคนงามขึ้นมาคนหล่อขึ้นมากิเลสตัวใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอ่ก็ต้องสู้กับมันอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นนิพนแบบชั่วคราว ช่วในขณะที่ชนะกิเลสในแต่ละรอบอืหรือช่วงอยู่ในสมาธิก็เป็นนิพพานชั่วคราวเวลาพุทโทธจิตรวมเป็ น, นปนาสมาธิขึ้นมาอกิเลสก็ไม่ทํางานมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวอีกแบบหนึ่งนั้นก็มีตั้งแต่สมาธิขึ้นไปสมาธิก็ชั่วคราวโสดาบันก็ชั่วคราวสกิราคารก็ชั่วคราวอาณาคารก็ชั่วคราวอื ไปสมบูรณ์สถาวรก็ต้องเป็นอารหาันต์ที่ อ, อ, อ, าา อ, อาาิเล็ดหมดเลยทุกตัวที่มีอยู่หลงเหลืออยู่ในใจหายหมดเลยถ้าเชื้อโรค ก, ก็หมดเลยเยเรากำจัดเชื้อโควิดยังมีเชื้อเอชอยู่จากเชื้อเอชยังมีเชื้อมาลาเรียอยู่ก็ต้องไล่กำจัดมันไปทีละตัวพอหมดเพราะมันใช้ยาคนละขนาดกนันยาที่ใช้แก้กิเลสแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกัน ถ้าสวดาบาลก็ต้องพิาพจารณาขันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนพ้าสกิาคาผ้านาคาต้องพิจารณาอสุภะว่าร่างกายไม่สวยไม่งามถ้าอหารก็ต้องพิจารณาจิตว่าไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนจิตไม่ใช่ตัวตนจิตจะไม่จะหลุดพ้นไดน้จิตต้องไม่มีความอยาก ได้ตายได้ยังมีความอยากแม้จะอยากจะหลุดพ้นก็ก็หลุดพ้นไม่ได้อย <Gedanken> ่างพระอนนต์นี้อยากจะหลุดพ้นก็เลยหลุดไม่ได้พอรู้ว่าหลุดไม่ได้ก็ไม่หล <inter Hob art> <minimalist> <ric> ุดไม่เอาไม่อยากมันพอไม่อยากมันก็เลยหลุดเลยก็ได้นะแต่ละความอยากไม่เหมือนกันเชื้อโรคแต่ละระดับมันคนละชนิดกันเหมือนมาลาเรียชนิดหนึ่งไข้เลือดออกชนิดหนึ่งไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งโรคเอชชนิดหนึ่งมันต้องใช้ยาแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน มีคำถามจากคุณนุ่มจิตค่ะจะปฏิบัติให้บรรลุในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะต้องเข้มข้นขนาดไหนเจ้าคะก็ไปบวชหนึ่งนะแล้วก็เถอสีต้องไปอยู่กับพระอาจารย์ที่ดูดูเข้มข้นที่คอยเคีเ้ยวเข็นคอยผักคอยดันให้ภาวนาอย่างเดียวไม่ให้ไปทำภารกิจอย่างอื่นคำ <c oughs> ถามจากคุณเลิฟโบค่ะ กับพระอาจารย์ค่ะตั้งถูกหวยแบ่งทำบุญจะได้อันนี้สองบุญหรือไม่เจ้าคะได้ได้ไม่เสียหายบุญและการซื้อหวยก็ไม่บาปเพราะไม่ได้เป็นการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเป็นการเสี่ยงโชคคำถามจากคุณคันชิตค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ขอรับเวลาผมฟังพระอาจารย์กระผมรู้สึกนิ่งสงบและรู้สึกมีพลัง จากนั่งตัวสั้นก็ไม่สั้นกลับมาเป็นนิ่งสงบกระผมมาถูกทางไหมครับถูกแล้วถูกแล้วฟังใครก็ได้ไม่ต้องฟังเราก็ได้เราจะเอาหยอกตัวเราเองฟังอะไรแล้วใจสงบนิ่งก็ถือว่าใช้ได้คำถามจากคุณนั ด, ดนายค่ะเติมเต็มศรัทธาได้อย่างไรครับและทําให้ศรัทธามั่นคงได้อย่างไรครับก็ต้องอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สังเทศฟังธรรมบ่อยๆ อ, อ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆใกล้ชิดกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เรื่อยๆศรัทธาก็จะเกิดขึ้นคำถามจากคุณคนิ t ฐาค่ะจิตของตัวเองสามารถเลี้ยดหรือปลุกตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวได้ั้ยคะเวลาตอนเช้าเคยได้ยินเสียงเรียกชื่อทำให้สะดุ้งตื่นเป็นเสียงจากพ่อบ้างแม่บ้าง คนรู้จักบ้างคิดว่าเป็นจิตตัวเองปลุกตัวเองไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่เจ้าคะใช่จิตคิดไปเองสร้างความสร้างเรื่องขึ้นมาเองคำถามจากคุณสังชายค่ะสามารถกลืนน้ำลายในขณะนั่งสมาธิได้หรือไม่เจ้าคะไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าเกินแล้วมันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เพราะว่าจิตจิตกลับมาหาร่างกายการภาวนานี้เพื่อเดินจิตออกจากร่างกาย แต่ยังไปผูกพันกับเรื่องของร่างกายอยู่มันก็มันก็ออกจากร่างกายไปไม่ได้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ขั้นถ่านจะคุนจะเดินค่ะสอบถามวิธีและแนวทางการตัดภาระเพื่อพานิพาน์ครับก็ต้องเห็นว่าภาระต่างๆสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจบลงด้วยกันทุกคนจะทําอะไรดีขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายหมด ต้องพิจารณาความตายทั้งเราทั้งเขามันก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรต้องเป็นภาวะต่อไปแต่ถ้ายังไม่เห็นความตายของเขาไม่เห็นความตายของเราก็คิดว่าเ้ยต้องทํานู่นทานี่ให้กับเขาต้องทํำนู่นทํานี่ให้กับเราทําดีขนาดไหนได้มามากน้อยเพียงไงเดี๋ยวก็ตายตายมันก็จบทำหรือไม่ทําก็เท่ากันไม่ทําก็ตายเหมือนกันทําก็ตายเหมือนกันต้องไปทําทำไมให้เหนื่อยเปล่าๆใช่ไหม คิดแบบนี้มันก็จะตัดภาระต่างๆได้แต่ถ้าอย่างบาโบต้องทําให้เขาเขาจะได้สบายเขาจะได้ไม่ตายเราจะได้ไม่ตายเราจะได้สบายถ้าคิดอย่างนี้ก็ตัดไม่ได้ต้องคิดว่าเดี๋ยวก็ตายด้วยกันทุกคนทั้งเขาทั้งเรามันก็ตัดได้ทําไปทําไมทไมําก็ตายไม่ทําก็ไม่ทําไม่ทําก็ตายแล้วทําไปทําไมทําให้เหนื่อยไปทําไมไปทําในเรื่องที่เราดีได้ประโยชน์กับเรามากกว่าไม่ดีกว่า มันก็จะทิ้งเรื่องของร่างกายไปได้แล้วมันก็จะได้ไปทําเรื่องของจิตใจต่อไปได้ต้องคิดถึงความตายนคําถามจากทาง u t u b e ค่ะอาการของสังขารและวิสังขารแตกต่างกันอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะสังขารมันมีหลายความหมายเหมือนกันสังขารความคิดปรุงแต่งก็เป็นอย่างหนึ่งสังขารร่างกายก็เป็นอีกอย่าง มาารว่ควาาามมมหมยหม ย, ถยำถามจากคุณไพทูลค่ะพิจารณาละขันห้าสําหรับพระโสดาบันได้อย่างไรครับก็ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟร่างกายก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟต้นไม้เดี๋ยวมันก็ต้องตายร่างกายมันก็ต้องตาย ไม่มีใครไปห้ามมันได้เราไม่ได้เป็นต้นไม้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่มาเกาะติดร่างกายนี้เพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปไหนมาไหนไปทำอะไรต่างๆเท่านั้นเองพอร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายคำถามจากคุณปริชาติค่ะมีศรัทธาแต่ขาดความเพียรทำอย่างไรจึงจะมีความเพียรได้เจ้าคะอ๋อยังไม่ศรัทธาจริง ถ้าศรัทธาจริงเป็นความเพียรมันก็จะมานั่นเป็นความศรัทธาแบบรุ่มรุ่ ม, มดอนดอนอต้องพยายามทําให้เป็นศรัทธาที่แข็งกล้าต้องพยายามอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่านธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่กับพระอยู่ใกล้กับพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคอยเข้าหาพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคอยฟังคาําสั่งคําสอนของท่าน เดี๋ยวศรัทธาแท้มันก็จะโผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณเล็กค่ะการซื้อหวยลอตเตอรี่ผิดศีลห้าหรือไม่เจ้าคะไม่ผิดหรอกมันก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึง่งจะผิดก็ต่อเมื่อเราไปติดมันไปซื้อแล้วติดแล้วเวลาไม่ได้ซื้อเราหมดกิจต้องซื้ออยู่ทุกวดอย่างนี้เรียกว่าติดถ้าติดแล้วก็เป็นอบายอมุก ถ้าซื้อแบบเสี่ยงโชคซื้อแบบทำบุญนะคิดว่าเอาเงินไปทำบุญให้กับรัฐบาลอืหรือให้กับคนขายหวยก็ได้ตอนนี้รัฐบาลยังแจกให้คนทุกคนคนละห้าพันได้ทำไมเราจะไปแจกให้คนขายหวยไม่ได้คนขายหวยก็ยังอาจจะแจกคืนเราให้กับเราก็ได้อืข้อสำคัญคืออย่าไปติดถ้าติดแล้วมันเป็นมันเป็นพิษกับจิตใจว่ามันทําให้ใจทุกข์แล้วมันจะทําให้ ติดมากขึ้นน่าจะเป็นปัญหาเพราะมันใช้เงินทองมากเวลาติดการพนันนี้พอมันเสียมันก็อยากจะได้คืนมันก็ต้องไปขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อไปเล่นต่ออันนี้เรียกว่าติดเป็นอาบายมุกแต่ถ้าบอกว่าวันนี้มีห้าร้อยไม่รู้จะทำอะไรดีอลองไปซื้อหวยดูสักวันวะเผื่อโชคเรามันจะมาจะถูกถ้าไม่ถูกก็คิดว่าทําบุญไปก็แล้วสันแต่ไม่ติดงวดหน้า ว้นนี้ไม่ถูกว้วนหน้าก็ไม่ใช่อยากจะไปซื้อเอาคืนอย่างนี้ทำเฉพาะกิจอย่างนี้ได้ซื้อเฉพาะกิจได้อแต่ถ้าซื้อเป็นแบบติดนี่ไม่ได้อันนี้เป็นอบายามุก ข, ขึ้นมาคำถามจากคุณดิสยาค่ะถ้าปฏิบัติแล้วรู้สึกท้อใจมีวิธีมีวิธีทำให้มี ก, กำลังใจอย่างไรคะและความรู้สึกท้อใจมีเฉพาะบางคน ตอนที่พระอาจารย์ฝึกอยู่วัดหลวงตาพระอาจารย์เคยรู้สึกท้อใจหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกถ้าอยู่ใกล้พระพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ท่านจะคอยเติมพลังให้อยู่เรี่อยๆทุกสามวันสี่วันห้าวันท่านจะเรียกประชมดีท่านจะให้พลังแสดงทำให้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดวิริยะขึ้นมาถึงบอกว่าอย่าอยู่ห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเกิดความท้อแท้เมื่อไหร่ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โดวยวิธีฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์ไปฟังธรรมบางทีฟังท่านพูดคำสองคำเห็นหน้าท่านกำลังใจก็กลับขึ้นมาคำถามจากคุณสันทิตาค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะบ้านที่สร้างเสร็จจำเป็นไหมเจ้าคะต้องขึ้นบ้านใหม่แต่จะทำบุญตักบาตรรักษาศีลปฏิบัติธรรมทาความเทียนสม่าเสมอค่ะ คาว่าขึ้นบ้านใหม่มันก็มีสองความหมายบ้านใหม่สร้างเสร็จก็ต้องขึ้นบ้านใหม่กันทุกคนล่ะโยนสร้างไปทําไมถ้าสร้างแล้วไม่ขึ้นไปอยู่ใช่ไหมถ้าขึ้นแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะต้องขึ้นอยู่แล้วสร้างบ้านเสร็จก็ต้องเข้าบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ไปใช้บ้านใหม่อยู่บ้านใหม่แล้วขึ้นบ้านใหม่แต่ถ้าขึ้นบ้านใหม่แบบประกอบพิธีนิมนต์พระมาสวดนิมนต์พราหมาเจิมนิมนต์ใครมาทําพิธีอะไรต่างนี้ไม่ต้องทําหรอก บ้านมันไม่เกี่ยวความความดีความชั่วมันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่คนอยู่บ้ถ้าคนอยู่บ้านเป็นคนชั่วบ้านมันก็ชั่วอยู่ดีถ้าเป็นโจรนี้แล้วไปสร้างบ้านใหม่แล้วไปอยู่บ้านใหม่มันก็บ้านใหม่มันก็ไม่ต่างจากบ้านเก่าเพราะคนที่ทํามันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเองต้องเปลี่ยนที่ตัวเองคนเราถ้าคนเราไม่ดีเราต้องเปลี่ยนที่คนอย่าไปเปลี่ยนที่บ้านบ้านมันไม่รู้เรื่องรู้ราว คำถามจากคุณต้นกล้าค่ะรู้สึกว่าเวลานอนจิตทิ้งร่างแบบไร้สติแต่เวลานั่งสมาธิมีสติรับรู้ความรู้สึกต่างๆของทางกายไม่ทราบจะทิ้งทางร่างกายได้อย่างใดดีเจ้าคะก็พุดโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสงบมันก็จะทิ้งเองแต่ทิ้งมันจะต่างจากร่างตอนนอนตอนหลับมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ตอนนั่งสมาธิเวลาทิ้งร่างกายมันจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้จิตกับร่างกายมันแยกออกจากกาาันนะคำถามจากคุณทิพย์ค่ะทำไมตอนฟังธรรมพระอาจารย์ใจกระผมถึงอยากจะบวชครับอยากทิ้งทุกอย่างแล้วไปบวชครับอ้าวก็เกิดศรัทธาเลยเม่อเกิดศรัทธาก็เกิดวิริยะขึ้นมาเกิดฉันทะความยินดีในธรรมขึ้นมาเหมือนไปดูหนังตัวอย่างนะ เห็นหนังตัวอย่างแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูหนังจริงเลยมันมันเลยก็เอามาใชยดูเดี๋ยวพอหนังจริงเข้าปั๊บก็ไปดูกันเลยการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดูหนังตัวอย่างของธรรมพอได้ดูหนังตัวอย่างแล้วทีนี้ก็อยากจะได้ของจริงก็รู้ว่าการจะได้ของจริงต้องไปบวชต้องไปปฏิบัติธรรมค่าำถามจากคุณเลขข็กค่ะการสวดมนต์ทสมาธิบนที่นอน ในห้องนอนมีนอนกันหลายคนแต่เรานั่งสมาธิสวดมนต์ของเราถือว่าผิดไหมคะไม่ผิดหรอกแต่ถ้าที่ไหนที่อยู่คนเดียวได้ไปนั่งคนเดียวดีกว่าเพราะนั่งอยู่กันหลายคนอาจจะรบกวนสมาธิกันจะทำให้สงบยากกว่าถ้ามีหลายคนเราก็ไปออกไปนั่งข้างนอกห้องสินั่งหน้าระเบียงนั่งที่ไหนที่ไม่มีคนการนั่งสมาธิต้องติกวิเวกถึงจะได้ผลได้ประโยชน์ ถ้านั่งอยู่กับคนหลายคนเดี๋ยวคนนั้นขยับตัวบ้างเดี๋ยวคนนั้นกลนไอข้อแค่ขึ้นมามันก็จะมารบกวนสมาธิของเราได้นนไดหมดพอดีนะนนเวลาก็หมดพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริ์พิจารณาไปปฏิบัติ